มีมีสภาวะทำอะไรเกิดขึ้นเราบ่าฮะ่วง่วงเหนื่อยเหนื่อยมันรับไปไงรับใจเราก็รู้สึกไงร่างกายเหนื่รัใจรก็รู้สึกใจกันนะรสึ อะไรนะตั้งใจตังใจกับอ่าดีละที่เห็น <c oughs> นะพจริงนะแต่สว่าเราก็ไม่ได้เป็นเราไม่ได้เข้าไปเป็นผู้ผู้เมื่อยหรือผู้ทุกตลอดเวลาถ้าเราถ้าเราแบบเหมือนร่างกายมันเมื่อยแล้วเราก็ไปจมอยู่กับความเมื่อยเนะี่ยเราจะออกมาไม่ได้ แล้วมันก็จะกเราแบบพอแล้วเบื่อแล้วอะไรนะแต่ว่าเราตั้งใหม่ได้ก็แสดงว่าเราก็ออกมาจากมันได้บ้างใช่ไหมแต่ถามแต่เราก็ต้องเนี่ยแหละดูนะความเมื่อยมันเป็นเรื่องของอะไรของร่างกายนะความทุกข์ทรมานตกลนกบายนี่เป็นเรื่องของอะไ ใจ่เนี่ยแล้วที่เราตั้งหลักใหม่ได้นี่เป็นเรื่องของอะไรใจเหมือนกันเนาะใจที่ที่มีสติพอสมควรถึงตั้งหลักใหม่ได้ด้วยน่ก็มันก็ดีแล้วนะมันก็สลับกันไปสลับกันมาอย่นี้แหละมีใครปฏิบัติแล้วไม่เคยเมื่อยบ้างมีไหมไม่มีนะเนี แม่แต่รถยนต์ไม่แด่หุ่นยนต์เขายังมีอย่างรถยนต์ขับนานๆเขาต้างร้อนก็ายังขึ้นเลยนะยังมันก็ต้องพักใช่ไหมเครื่องจักรก็เหมือนกันนะทํางานอมากๆมันก็มีความร้อนสร้างกายของเรายกมือเยอะๆเดินเยอะๆมือนก็เนื่อยถถูกแล้วนะถูกล้วเอาไปทำอย่างอื่นก็เหนื่อเหมือนกันเลยใช่ไหม ใช่ไหมก็เมเหมือนกันแต่แต่เราไปทำแบบอื่นให้เมื่อยมันก็ก็อาจจะได้ประโยชน์ทางโลกคือบางทีก็ไม่ได้ประโยชน์ทางโลกเลยไปทย่างอื่นในใจเวดาเฉยๆอย่างตอนนี้ผู้ชายบางคนหรืออาจจะมีผู้หญิงคนนะทําตัวเองให้เมื่อยดูบอลดื้วแนนะ่นี่มีไม่สามีใคร <c oughs> อืมทำเมื่อไยนะ แต่นี้เราเมื่อยแต่เราก็ยังได้สติได้ปัญญานะอะมันเป็นการมันเมื่อยมันคุ้มค่านมันเราทํางานเราก็ยอมเมื่อยเพราะเราก็ได้เงินมาเลี้ยงชีวิตอันนี้ก็เหมือนกันเอาเมื่อยร่างกายแต่เราได้สติได้ปัญญามาหร่อเลียงจิตใจมันเป็นการสู้กันเนีย อย่างอาจารย์กำพลนะท่านพิการแต่ก่อนมือมไม่หนิพิกไม่ค่อยได้ไม่ค่อมีแรงแต่พอสมวพ่ อ, ขอเขียนแนะนําเรื่องการคันศึกศติอาจารย์งพ่อก็บอกถ้าพอพิกมือได้ก็พิกมือนะให้รู้สึกนะอย่าอยู่นะให้รู้สึกอาจารย์ก็เอยพิกแต่พิกก็้วงเรียกว่าอาจารย์ก็แบบเมื่อยมากๆเมือเ่อยจนประเภว่า ไม่ร้ จ, จะเอามือไปบางไว้ที่ไหนดีเหมันมมกบนบะมันเมื่อยมากๆเาะเหมือนคนพลิกการที่แทบไม่ค่อยได้ใช้แบบใช้ใช้ร่างกายเท่าที่จําเป็นจริงๆริแต่พอร่างกายมีขีดจำเป็นแคเนี้ยก็ใช้ใช้มือพลิกไปพลิกมานะนานหาหาหวันละห้าหกชั่วโมงเป็นอย่างน้อยมันเมื่อยมากๆเลยแต่ก็อาใส่ทนบางทีเมืม่อยมือมากๆก็ มันก็ต้องทิ้งบ้างนะอแตัยันอื่นแทนก็ได้นะวิธีคือสติอย่างอื่นบ้างก็ได้อย่างอาจารย์คมพลอาจารย์นนบอกตีคําปากขมูกขมิดปากนะเดินทีทําจมูกบานเข้าบานอ่อนออยักคิ้วแบบเราถ้าเราไม่อยมากเราต้เปลี่ยนเทียบทได้นะเมื่ออะไรกัน รือเมื่ออจริงครับนั่งดูลงหายใจไม่ต้องไปบังคับมากแต่ถ้าบังคับมากก็จะเมื่อยหายใจต้องง่ายจริงๆนะเวลาเราปฏิบัติทำบางทีเราอย่างอาจมาก็เคยเป็นงทีไปปฏิบัติแบบอาณาปานะสติบางทีเราไม่รู้นะเราทำผิดเราไปกำหนดมากไป ทำไมหายใจมาทั้งชีวิตไม่ค่ยเหนื่อยแบบนี้แต่พอเขานั่งอบอกว่านั่งดูลมหายใจไปเป็นทำไมเหนื่อยจะเกินเพราะมันติดกำหนดมากไปแต่ถ้าหายใจธรรมดาเราก็เพียงแค่รู้ที่มันก็เป็นการพักผ่อนไปแค่นะันพักผ่อนแต่ก็พักผ่อนแบบรู้ตัวนะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิ แล้วก็ได้ทำการเรียกว่าพักกายพักใจไปมีตัวนี่ก็ได้เหมือนกันอยู่ทีก็ ถ, ถ้าเมื่อยมากก็ขึ้นนิ้วกระดิกขาก็าได้เนกันนะเรียกว่าทำไปเมื่อยแหะนะยังมาแต่ก่อนเก็บอารมณ์นะก็เดินวันแล้วตนะิปดปวดชั่วโมงแต่ก่อนไม่ค่อยชอบนั่งยกมือเท่าไหร่คือยกมือแล้กวก็ง่วง เป็นจอาเดินเดินไปเดินมาเดินจนครั้งรอบหนึ่งก็ชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงบางครั้งก็สามสี่ชั่วโมงก็แล้วแต่ได้ลงขนาดไหนแล้วแต่ทําแล้วก็เมื่อยมากๆก็นั่งพักพักเท่าไหร่ก็นั่งปิดมือบ้างยกมือบ้า ง, ง, ง, ง, ง, ง, งสิบนาทียี่สิบนาทีอย่างมากกลับมาเดินใหม่ปวดขา ม, มากๆเลยนะแต่ก็แต่ก็คุ้นนะคุ้น แต่เก็บอารมเดือนนึงออกเอย่าเก็บรวรมก็ต้องไปหาหมอเขามันเขามันไม่ดีอยอะแล้วนะพอเดินก็่างมันก็มันก้างเลยอับเสบแต่ก็คุ้มอ่าตอนนั้นก็คุ้มก็ได้ได้เข้าใจธรรมะมากขึ้นก็เอานะคนเดืยนยังไงมอมื เหยาวไหมก็พอเอือรู้ตัวแล้วก็ก็มก็เปลี่ยนที่มองบ่อยหมมันบ่อยหมพอยกมือแล้วมองที่ยาวนานมันจะรู้สึกว่านเบิดอืมน่าบ่อยไหมนที่รู้ตัวว่าเบิดมือน่อยไหมกไม่ไม่ค่อยบอย จะเห็นเห็นว่มันเบื่อเนาะอ่าดีแล้วแล้วก็เราไปสังเกต น, นะเวลาเวลาว่างๆเวลาไม่ได้ทําอะไรมันจะเหมือไ้มอ่าลองดูลองดูบา ง, งทีนั่งรถติดเนี่ยนะใจเราเหมือไหมอืมตอนรอใครสักคนอรออะไรตา่างใจเราเหมือไหมเราสังเกตอืม ถ้าเราเริ่มเห็นนะบางทีมันก็เริ่มเริ่มจับได้บางสภ า, าวนะเนี่ยเริ่มสมมติเราเริ่มเห็นอาการมือตรง น, นี้แนละ้วตอนให้เราปฏิบัติวันนี้แล้วต่อไปแล้วก็มันจะค่อยๆเห็นง่า ย, ายๆขึ้นใ น, ใ น, ใ, นในชีวิตประจำวันอย่างอื่นอ่านะมันจะไปอยๆเขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้รู้จักสภ า, าวนะอารมณ์ทีละอย่างสองอย่างไปเรื่อย เมื่อเรารู้จักตัวนี้มากขึ้นอ่ามันก็จะเห็นตัวนี้บ่อยขึ้นแต่ก่อนไม่เคยเห็นคล้ายๆเหมือนกับเรารู้จักคนจำหน้า ไ, ได้ไปเจออีกครั้งก็จำได้เจออีกครั้งก็จำได้อ๋อออกเป็นแบบนี้เหมือนเราจำสัพท์ภาษาต่างประเทศได้อืมเมื่อเราจำได้แล้วเขาพูดไาอ๋อดูละวดูแล้วอูแะ แ, แ, แต่ก็านานๆก็ดืมเหมือนกันนะ อาก็เหมือนกันถ้าไม่ได้ปฏิบัติเคยรู้แนละ้วพอไม่ค่อยได้ปฏิบัติไม่ค่อยได้ทวกนก็ลืมไปอีกเหมือนกันมีเสียงมอ่าใช่มันพูดมันสอนมันต่อโต้กันใช่ไหมมันจริงหรือแค่ร้องเพลง ตีก็ร้องเพลงอดีแล้วแต่แต่ก็รู้นะพมันมันร้องเพงลงเราเปลี่ยนมาเป็นตัวนหมน <c oughs> ได้ตัวต้องเพลงตัวส <c oughs> มุนคนละตัวไปใช่ไหมคนละตัวไปร้องเพลงเลยไปร้องเองแล้วต้องรู้ตัวก่อน่นเป็นตัวร่ตัวสวมุนก็ดีกตัวร้องเพลงหน แต่ถ้าตัวที่ดีกว่าก็ก็รู้เฉยทำไมถึงไม่ต้องมีเสียงในหัวทำไม่ได้จริงนะมันมันจะเกิดเสียงอะไรภาคในจิตของเราตลอดอะเรื่องนั้นเรื <c oughs> นะ่องนี้หน้าที่เราเพียงแค่รู้ว่ามีมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแค่นั้นแหละไม่ไม่ต้องทําอะไรกับมันคล้าคล้ายปล่อยให้มันมันอยากจะร้องมันจะากจะพูด มันอยากจะมีอะไรก็ก like, ็เพ <c lu v smoking> ื่อมันแต่มันจะเป็นเหมือนเด็กๆเหมือนเราเอาอเงี้ยบางทีเราอยากจะแก้งเด็กนะเด็กมันมาเต้าซีมาหน้านี่ลองดูสิเราก็อยู่เฉยๆน่นะแต่มันจะเบื่อเองแต่ถ้าเราไปเล่นไปอันนั้นประมเราเล่นไปเรื่อยล่ะแต่แล้วเราดเฉยะเราก็ทํงานของเราไปมั้ยเด็กมันไม่สนุกแล้วไม่สนใช่ไหม ความคิดก็เหมือนกันเสียงตัวนี้ก็มันจะมันเกิดขึ้นมาเพื่อเพื่อชวนให้เราไหลไปกับมันหรือบางทีก็ชวนให้เราปฏิเสธมันก็มีนะมันมาแกล้งแบบบางทีชวนให้เราไหลบ้างหรือชวนให้เราทะเลาะกับมันบ้างแต่นะที่เราก็ปล่อยตามธรรมะตามธรรมดาเนะปล่อยธรรมดาแต่เรามากําหนดตัวที่ที่ตัวกายแทนอ่ะที่ตัวสิ่งที่เราทาแทน รือไม่ให้ค่ากับเสียงในหัวแต่รู้อยู่ว่ามันมีก็รู้มันไม่มีก็ก็รู้แต่อย่าไปสิ่งคืออย่าไปตอบโต้อะไรก็มันมากอย่าไปตอบโต้อย่าไปอย่าไปสอนอย่าไปดุด่าอะไรมันก็ปล่อยธรรมดามันจะค่อยๆลดลงไปของมันเอง มีอะไรอีกอ ม, ม, อมีไมางโน้นไม่ค่อยได้มองเดิมจับสตินะ สติมันมันต้องเจตนามากไหมหรือว่าถ้าคนปฏิบัติแรกๆนะอาจจะอาศัยเจตนาสักหน่อยแต่ถ้าเราปฏิบัติมากขึ้นให้เราลดเจตนาที่จะเคยใช้เพื่อความตั้งใจลงสักหน่อยจะดีคือรู้แบบรู้แบบนั่นนไม่ต้องไปกาหนดมากอให้มันรู้กะ พรถ้าเราฝึกเย้ยๆนะมันก็การรู้การยกมือการอะไรท่าทางต่างมันไม่ต้องใช้ความแบบเจตนาเขา้าไปกําหนดท่าใดมากแต่เราก็แค่รู้สึกนะเป็นจังหวะเคลื่อนไปเรื่อยๆให้มันเจตนาไม่ไม่มากนะักแล้วก็ถ้ามันจะคิดก็ปล่อยมันมันจะได้เห็นแบบเห็นธรรมชาติเห็นธรรมชาติที่มันเป็นที่มันอยู่ข้างในอะไรที่มัน บางทีความคิดอารมณ์ต่างๆก็ปล่อยให้นผุดขึ้นมาตามธรรมดาแต่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ให้ให้ให้เราเห็นแค่นั้นแต่ถ้าเราไปกําหนดไอ้ตัวนี้มันมากไปบางทีมันจะมันจะไม่มันจะข่มอารมณ์ข่มความคิดเราจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่ากิเลสนะมันเกิดขึ้นที่ที่จิตใจนะมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ที่ร่างกายนั้นเราก็ต้องปล่อยให้มันเห็นกิเลสนะ ที่จริงเห็นธรรมก็คือเห็นกิเลสพูดยังไงไม่ใช่เห็นแสงสีเห็นความสงบเป็นความสุขเห็นกิเลสเป็บ่อยนั่นคือเห็นธรรมเห็นความโกรธเห็นความโลภเห็นความดุงเห็นความอยากเห็นความไม่อยากอะไรเลยเห็นบ่อยๆเราเราก็เนีที่พรจะาบอกชำระจิตให้ขาวลอกคือเห็นพวกนี้มันจะค่อยๆออกค่อยๆออกค่อยๆออก ออไปเรื่อยหรือว่ามันก็ทําให้เราได้เห็นรู้จักมันเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันก็จะทําอะไรไม่จำไม่ได้มันรู้ทันกลไกการหลอกของมันมันก็หลอกไม่ได้เราโม้บ่อยๆนะถูกลอกบ่อยๆนะเราก็จะจํานะอ๋อโดนหลอกอีกแล้วโดนหลอกไปแล้วมันก็จะทันมันน่ะมันจะทันอเหมือนเราทําอะไรผิดพลาดก็ผิดบ่อยๆถ้าเราเอาสติเอามาเป็นครูนะ มันก็จะเตือนไม่ผิดอีกแล้วแต่ถ้าเราไม่เคยผิดเลยนะหรือว่าเรากลัวผิดอะ่ะมันก็จะแบบทําด้วยความกลัวทําด้วยความแบบคล้ายๆกดอะไรขกหน่อยมันก็จะยิ่งมันจะคล้ายๆเครียดมาเมื่อผิดทีนึงใจจะรู้สึกหนักเลยนะ <c oughs> นั้นเราก็ลองทําแบบเนี่ยมันมันจะคิดก็ไม่ผิดเนะี่ย หลวงพเทียนเขาบอกถ้าถ้าเรามีสติดีดดนะนะคำว่าสติ ด, ด, ดีไม่ใช่ไม่คิดนะแต่ถ้าบางช่วงมันคิดมากเราก็สามารถรู้ได้มากนะมันคิดมากเราก็รู้มันได้มากอันนะี้คือมีสติได้มากเหมือนกันแต่แต่ก่อนเราคิดว่าความคิดมันไม่ดีคิดมากมันไม่ดีแต่จริงถ้ามีสติจริงไม่ใช่นะคิดมากก็รู้มากนะ แต่ถ้าเราองความคิดเป็นศัตรูแล้วคิดมากไม่ดีนะบางทีเราภาวนาไปบางทีก็เฮ้ยวันนี้ทำไมภาวนาดีวันนี้ภาวนาไม่ดีเพราะอะไรเช่นวันนี้มันไม่สงบวันนี้มันคิดมากวันนี้มันน่วงไม่ดีวันนี้มันไม่ค่อยคิดวันนี้มันสบายสุขเราว่ามันดีเพราะอะไรเพราะใจเราไม่เป็นกลางใช่เรายังสุดอันนี้อันนี้ไม่ดีอันนี้ดี แต่ถ้าใจเราเป็นกลางมันก็เปลี่ยนเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้น <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ดีไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ถูกของมันเรารู้หรือเปล่าก็แค่นั้นถ้าเรารู้มากามกาาไนะ็ไม่เรียกว่าความมันดีหรือไม่ดีเรียกว่ารู้มากก็คือมีสติมากก็แค่นั้นถ้ารู้น้อยก็คือมีสติน้อยก็แค่นั้นไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีนะแต่คือถ้าเรารู้รู้สภาวะได้มากไปแต่ละวันก็คือ มันก็ได้สติมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่ค่อยรู้ตัวในแต่ละวันไม่ค่อยได้ปฏิบัตินะมันก็ที่จริงแล้วก็เป็นเหมือนคนทั่วๆไปเนกะ็ไม่ที่จริงการปฏิบัติไม่ใช่เป็นเรื่องของคนดีคนไม่ดีนะไม่ได้เกี่ยวว่าเราเป็นคนดีหรือคนไม่ดีไม่ได้ไม่ได้ไปให้ค่าเรื่องเรื่องการเป็นคนดีคนไม่ดีอะไรแบบนั้นแต่ตัวสติอ่าตัวผู้ปฏิบัติจะเห็นด้วยว่า มีสติได้บ่อยไหมมีสติได้บ่อยไหมมีสติได้บ่อยไหมตัวจัดตัวเองได้บ่อยไหม อ, อารมณ์จะไม่ดีก็ไม่เป็นไรอารมณ์ไม่ดีแต่เราเห็นมันไม่ดีเนะี่ยคือผู้ที่มีสติแต่ถ้าผู้ที่อติดดีบางทีมันดีแต่เร็ไปยึดดีแต่ยึดแล้วก็ทุกข์ไม่มีสติไปว่าคนอื่นเขาว่าไม่ดีอันนี้ก็อาจจะเป็นคนดีแต่ขาดสติท<ต>ุกข์กนะฮะ ดังนั้นที่จริงปฏิบัติริงทมันมันเป็นเรื่องพ้นนะพ้นดีพ้นชั่วมันเป็นเรื่องเหนือเข้าไปผลเข้าไปนเพราะว่าที่จริงภพารมณ์ความคิดกุศลอาเทศไม่ได้เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยนะตามเหตุตามปัจจัยแต่ถ้าเรารู้ทันมันก็แค่ภาวะที่เกิดขึ้นแล้วก็อแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เนี่ยคือภาวนาคือกันเนี่ยถ้าเราวางใจแบบนี้นะมันก็ ออะไรก็ได้ที่มันเกิดขึ้นเราก็แค่รู้มั <c oughs> นะแล้วชีวิตประจำวันของเราเนะธรรมดาไปเลยโยมนะใช้ชีวิตธรรมดาเพียงแค่พยายามตามรู้ถ้ามันกิจวัตรที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากก็ทักใส่รู้กายไปแต่งฟันด้างหน้ากินข้าวอาบน้ำเนะี่ยไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากรู้สึกที่กายไปเยอะยะแต่ถ้าต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นอนะพูดคุยทํางาน วางแผนนะเราก็ใช้ความคิดแล้วก็อาจจะบางครั้งก็ช่วยโอกาสตามรู้จิตใจถ้ามันเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจอะไรขึ้นมาก็ตามรู้ไปเท่าที่มันดูได้พอไม่ต้องใช้ความคิดบ้างเบรกบ้างก็กลับมารู้ายอย่างนี้นมันก็จะปิดการพัฒนาในชีวิตประจําวันได้แล้วการปฏิบัติธรรมติงตัางใจนั่นัแหละทําให้มันต่อเ น, นื่องในชีวิตประจําวัน ไม่ว่าจะทำในรูปแบบก็ดีนอกรูปแบบก็ดีเราก็ทำให้มันมากที่สุดเท่าที่ทำได้แต่ก็ถ้าจัดสต่เวลาทำในรูปแบบได้ทุกวันก็ดนะีตอนเช้าตอนเย็นเนะี่ะวันะช่วงติ2ยี่สิบนาทีก็เอาไม่ต้องมากก็ได้ถ้าคนงานมากนะตอนะเย็นตินาทียี่สิบนาทีนะ่ะทำมาว่าอย่างตอนตลางคืนนะ เราทํางานมาทั้งวันเนาะจะมีเรื่องราวมีอารมณ์หลอย่างที่บางทีเราก็เก็บเก็บไว้ไม่รู้ทันแต่ถ้าเราได้ปฏิบัติอ่บางทีมันก็ผุดออกมาแลนะผุดออกมาดีเหมือนกันนะที่มันผุดออกมาปล่อยมาเพราะว่าพอมันผุดออกมาพอเวลามันผุดมาเยอะ่อสมควรมันรับจเก็บน้อยลงใช่ไหมพอไปนอนไปได้คลายมันจะนอนหลับสนิทกว่าแต่ถ้าเราไม่ เราแบบเครียดแล้วไปนอนเลยนะตื่นขึ้นมาก็ก็ไม่ค่อสดชื่นนะใช่ไหมมันเหมือนนอนเยอะก็จริงแต่ก็ตื่นขึ้นมาก็ยังเครียอยู่แต่ถ้าเราได้คล้ายๆปล่อยให้ขยะในใจมันออกมาบ้างมันก็พักผ่อนสักหน่อยมันก็มีแรงกับมาหรือตอนเช้านะตื่นขึ้นมา่ะตั้งสติก่อนนะอ่าปฏิบัติในรูปแบบสักหน่อยบนเตียงก็ได้หรือมาเดินจงกรมก็ได้นะครับ 10นาทีนะต่อไปเราไปแปลงฟันด้างหน้าไปเข้าห้องน้าไปทางอื่นสติมันจะต่อไปได้งา่ายใช่ไหมแต่ถ้าเราแบบตื่นขึ้นมาเราก็รีบไปเข้าห้องน้ารีบแปลงฟันรีบไปทางอื่นมันก็ขาดสติตั้งแต่ที่บ้านนะแล้วก็ขาดสติต่อที่ทํางาน ม, มันก็จะต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าตั้งสติตั้งแรกโอกาสที่สติมันจะตามไปที่อื่นๆมันก็มันก็จะง่ายนะเพิ是是เวลาไหนอื่นก็เบรก เฉยโอกาสแกแกเข้าไปออกเนี่ยเขาปากปากไวเนาะไม่มีอะไรเนาะ